ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอบารมีธรรมหรือพุท ธ, ธาการกะธรรมสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาถึงเรื่องของขันติบารมีแล้วก็จบจบลงไปแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องสัจจะบารมี สัจจานั้นกรอบของเขาที่จริงแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นจะเน้นไปที่เรื่องของสัจจะก็แบ่งสัจจะเอาเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ ส, ม, สมุติสัจจะและปรมัตสัจจะเดิสัจจะในที่นี้เองจะเน้นไประดับของศีลธรรมจรญญาหมายความว่าสัจจะในภาคสนามหรือภาคประพฤติธปฏิบัติ โดยบุคคลได้ตั้งสัจจะไว้ก่อนลักษณะของสัจจะนั่นก็อาจจะกระจายตัวเองงไปเช่นว่าเป็นสัจจะว่าจาตัลงนัดไม้อะไรก็ใครไว้ยังไงแล้วก็รักษาสัจจะว่าจ่าตรงนั้นเอาไว้บางคราวบางคราวก็เอาจริงอดจังมากจนถึงมีสุภาษิต ท, ที่ว่าเสียเชียบจะเสียสัตว์ เสียสมบัติอย่าให้เสียวาจาหรือบางทีก็บอกว่าอย่าให้เสียชื่อเสียงเพราะในสัจจะบางอย่างมันมีความผูกพันสูงแล้วก็นานส่วนใหญ่จะเป็นรูปของสัจจะปฏิญญาสัจจะปฏิญญาหรือแม้แต่สัจจาวาจาเองก็เถอบางครั้งนี่มันนานก็แล้วแต่ว่าตรลงนัดหมายกัน อย่างในคนสมัยโบราณที่เขาตกลงนัดหมายกันเนี่ยเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมกันก็บอกว่าโตรดจำไข่ต่างพัญญามีคันก็มีการมั่นหมายกันว่าถ้าเป็นผู้หญิงโดยการผู้ชายโดยการก็เป็นเพื่อนกันถ้าว่าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็ให้แต่งงานกันมันเป็นสัจวาจาคือเป็นการตกลงนัดหมายกัน แต่ว่า ก, การรักษาที่จริงงานนั่นนะคือจนกว่าเหล็กทั้งคู่นั้นจะได้คือตอนเขาเป็นเพื่อนกันไม่แปลกมันง่ายแต่ว่าตอนที่เขาจะเป็นสามีภรรยากันพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ต้องให้เป็นไปตามสัจาจาวจรที่โตลงนัดหมายกันไว้แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเขาโตขึ้นมาก็ก็เป็นเพื่อนแล้วก็เรื่องของเขาได้ต่อไปเนี่ยเราก็หมดพันธะ แต่ถ้าถึงว่ายให้คนทั้งสองแต่งงานกันเนี่ยมันต้องรอเพราะสัจวาจ า, า, จาตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ยี่สิบปีและรักษากันแต่ว่าให้ปฏิบัติได้เป็นไปตามนั้นบางครั้งบางคราวมันเป็นสัจาวาจาที่ไปผูกพันกับเรื่องตรงอื่นเช่นว่าการสมาทานศีลเนี่ย มันมีลักษณะเป็นสัจจาวาจา์แตวค่อนไปลักษณ์ค่อนไปทางเป็นสัจจะปฏิญญาคือปฏิญาณนะสัจจะปฏิญาณเป็นการประกาศสถานะของตนว่าจะสมาทานศีลรักษาศีลอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นก็ว่ากันไปตรงนี้มันก็อยู่ในเงื่อนไขของศีลเราต้องการรักษาเท่าไรละเช่นว่าศีลโบสถเนี่ยก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ปกติจะว่าถ้านับชั่วโมงก็ประมาณสิบแปดชั่วโมงก็รักษาได้แล้วแต่ถ้ารักษาเป็นนิดในเรื่องใหญ่นะเพราะจะไม่มีใครตามไปคุมเราเลยบางทีอาจจะเสียทั้งสีเสียทั้งสัตว์มีคนเคยเคยพูดอ่ะตั้งประเด็นถามเป็นสำนวนสีตะนนชัยนิดหน่อยบอกว่ารักษาสีเนี่ยรักษาให้กินอะไร ก็ตอบสำนวนศีรด น, นชัยไปหน่อยก็ให้กินสัตว์สัตว์ในที่นี้ก็คือสัตว์เจ้าวิจาเพราะว่าไม่มีใครไปคุมใครเลยการสมาทานศีรับศีรแล้วก็จบกันใครเองก็ไม่ได้ตามไปคุมไม่แต่ตรวจสอบแต่ละคนก็สำรวมระวังด้วยตัวเองจะดีก็ดีเองไม่ดีก็ไม่ดีเองแล้วไม่มีใครไปโจดไปท่วงอะไรเลยเพราะอาหารของศีรก็คือสัตว์ มีสั จ, จวาจาสั จ, จปฏิญาณเป็นอาหารของศีลสาบใดที่เรายักยางรักษาสั จ, จวาจาสั จ, จปฏิญาณเอาไว้ศีลเราก็จะดำรงคงอยู่แต่บางทีมันเป็นปฏิญญามีลักษณะคล้ายๆกับตกลงนัดหมายเช่นว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องใหญ่คือบางทีคนอื่นเขาไปให้ไวนะ้นี่ย เช่นว่าปฏิ ญ, ญาสากลวรุษสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นสัจจะแต่เป็นสัจจปะปฏิญญาแต่ว่ารัฐ ก, กับรัฐเนี่ยก็ให้กันไว้ในขณะเดียวกันมันก็ผูกพันถึงประชาชนภายในชาติว่าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลวรุษสิทธิมนุษยชนตา่างๆประเทศเล็กๆไม่ปฏิบัติเพื่อนก็แหวะเอาแต่พอประเทศใหญ่ๆไม่ปฏิบัติ ก็ไม่มีใครกล้าว่าอะไรเขาเพราะว่ากรมปั้นเขาใหญ่โรคมันก็เป็นอย่างนี้เองทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเราทำก็เราเองไม่มีใครรับรู้อะไรแต่ว่ามันจิตใจบางฝ่ายดีปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นจะทาอย่างนี้เป็นรูปของสัตยาธิษฐานเราจะเห็นว่าแนวสัตยาธิษฐานเนี่ยมัน ไม่มีใครเป็นสักขีพยานะถ้าจะมีก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเครารพสักการะเราอาจจะตั้งสัจจะตรัตยาทิฏฐานเอาด้วยตัวของเราต่อหน้าพระปฏิมาต่อหน้าสิ่งที่ เ, ร, เราเครารพสักการะก็ได้แล้วก็พยายามที่จะรักษาตรงนั้นเอาไว้ซึ่งก็อาจจะนานก็ได้ไม่นานก็ได้ ค็นี้เราลองสังเกตนะรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตูวประถมบรมราชางค์การของพระองค์มีลักษณะเป็นสัจจปฏิยานคือเป็นการประกาศท่ากลางมหาสมาคมในพิธีบรมราชาพิเศษเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวเสยียงมันเป็นเจ็ดจำนวเป็นความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วประโยชน์สั้นนิดเดียวแต่ว่ารักษาตลอดชีวิตนะแน่ตัว น, นี้ต้องรักษาตลอดชีวิตแต่ว่าคนเราตามปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะรับผิด ช, ชอบอะไรเท่าไหร่เพราะในสัจจะปฏิญญาเนี่ยอาตมาเวลาอบรมพระเวลาเนี่ยพูดเรื่อยคือเคลื่อนมาเองก็ไม่ไม่ได้คิดนะเมื่อก่อนไม่ได้เฉลียวใจคิดเหมือนกัน มันมีโยมคนหนึ่งลืมไปแล้วก็ทำงานที่รถไฟเป็นคนที่สนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วแกก็มาประรคขึ้นเราก็กลับไปย้อนศึกษาทกทวนว่าเออสำคัญจริงๆมันมีลักษณะเป็นสัจจปฏิญานแล้วก็ค่อนไปถางสาบานตนคือประกาศต่อหน้าพระรันตนาธิบของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายเป็นบท มุนแต่เป็นพระนิพน์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะตอนได้ทรงประหฤทัยตรงมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระตนตรัยในสูงสูงยิ่งแล้วก็เข้าถึงใสรักโดยเฉพาะอนัตตาในสูงมากแต่ดูที่งานพระนิพน์ในร้านต่างๆจะแสดงเรื่องนี้ไว้มากพระพุทธคุณในสงทพา์ซึ้งมาก เพราะแนแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีข้อความซ้ำกันอยู่สามแห่งบุตตสาหัสมิดาโซวะบุตโเมสามิกิสโรและพระธรรมพระสงค์ก็ใช้คำเดียวกันแปลว่าเขาเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจา้าหรือว่าทับศัพท์เลยเป็นเลยก็ได้ว่าเป็นทาสของพระพุทธเจา้า บุทัสบุทัสาสมิธะบุโธเมสามิกิสรเพราะพุทธเจ้าเป็นนายเหนือเข้าไปจา้าพระถามประสงค์ก็ใช้คำอย่างเดียวกันนั้นเป็นการประกาศถึงเจตนาุมเป็นรูปของสัตจะปฏิยานเพราะว่าสวดมนต์มีคนได้ยินนะนะแล้วก็มาประโยคหลังเนี่ยยิ่งหนักเลย พุทสร้างนิยาเดมิสริรันยีวิตันจีดังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งสรีระแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงคเพราะแตนในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะเราถวายพระพุทธเจ้าแล้วบางทีก็แย่แย่พระแรงๆกันบอกว่าไหนที่ขยันสวดมนต์แล้วก็ไม่ทําตามนะ่ยถือว่าโกหกมากกว่าเพื่น มันเป็นเรื่องสัจจะปฏิญาณนะคคือไม่ใช่สวดว่าเล่นๆว่าเรื่อยๆแล้วไม่คิดจะรักษาตรงนั้นสวดไม่สวดไม่สาคัญหรอกสวดครั้งเดียวรักษาตลอดชีวิตหรือมันอยู่ที่ปฏิบัติตามนั้นได้หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่สวดได้หรือไม่แต่สวดมากสวดน้อยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สําคัญอะไรเท่าไหรหรอกแต่ว่าปฏิบัติได้มากได้น้อยเนี่ยคือเรื่องสําคัญ ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นที่การปฏิบัติเพราะศึกษาคำความหมายของคำว่าศึกษานี่คือการปฏิบัติเห็นไหมเราเรียกคำซ้ำคำศีล ส, สิขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาก็หมายความปฏิบัติในหลักของศีลสมาธิปัญญามันมีปริยัติอยู่ด้วยแล้วก็มีปฏิบัติอยู่ด้วยแต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านจะเน้นที่ตัวปฏิบัติคำว่าศึกษาเนี่ยมาเลยเหมือนกับทางโลก ทางโลกก็ศึกษาก็คือเรียนรู้สอบวัดผลกันตอบถูกหรือตอบผิดก็ว่ากันไปแต่วันนพุนศาสนานั้นจะเน้นไปที่ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติแต่เน้นหนักที่ตัวปฏิบัติตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นสัจจปฏิยานแล้วก็ค่อนไปทางสาบาัลตนนะอย่างที่บอกว่าค่อนไปทางสาบาลตนนี่อย่างหนึ่งในสังคมเรา เราด้านฟังลองสังเกตรเรามีบทกรนบทคําโครงนะฮะตามคําโครงในสมัยโครงหลวงวิจิตกับราชการที่หกได้มีอยู่เป็นอันมากพระนิพนธ์ราชการที่หกกับของออผลงานของหลวงวิจิตวัตการเนี่ยจะมากจะในขณะเดียวกันในโบราณกว่านั้นเนี่ยเราก็มีมีมาตั้งแต่สมัยยุทธยา มันก็ค่อนข้างไปทางความเชื่อในทางเทพเจ้าแต่ว่าก็เป็นประกาศสัจจะปฏิญาณมโนมอบพระผู้สวยสวรรค์แขนข้ามอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญแลแม่เกียรติศักดิ์รักค่ามอบไว้แก่ตัวเห็นไหมเป็นลักษณะของสัจจะปฏิญาณมันจะโน้มเอียงไปในทาง รพระผู้เป็นเจ้าอยู่บาทหนึ่งนะฮะบาทแรกเนะี่ยแต่ว่าเราก็นำมาใช้ในสังคมเรามโนมอบรพระผู้สวยสวรรค์มอบต่ออะไรนะ่ะต่อบรรพชนนะอะไรต่างๆที่ตายไปแล้วนะฮะก็ได้หรือว่ามอบต่อพระรัตนตรัยก็ได้เลืประการหนึ่งก็คือสยามานุสติของราชการที่ห อันตนมาว่าไผ่เราะแล้วก็ทั้งในวงการทหารเนี่ยเอาบทสามบทสี่มามารณรงค์จนบทหนึ่งบทสองเนี่ยมันไม่มีคือคือว่าถ้าเรามองที่บทบทสามบทสี่เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเรื่องทหารโดยเฉพาะแต่ถ้าเราบทหนึ่งบทสองมาเป็นหลักเนี่ยมันก็คือทุกชีวิตในประเทศนี้แล้วก็ในโลกนี้เลยทัไปทั้วม มันควรจะมีหลักการในการครองชีวิตตามเสยามานติสองบทตัวเนี้ร่าราาจงจิตน้อมพักดีทันนามันเป็นลักษณะกระตุ้นเตือนมันไม่ถึงกับเราเป็นสัจจะปิยาณเรกแต่มีคนคนหนึ่งเนี่ยกระตุ้นเตือนเราก็ทำนองคล้ายๆกับการประกาศเรื่องบารมีทั้งหลายที่ขึ้นว่า ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณแล้วซ้ายอย่างนี้มันก็เป็นการบอกกล่าวจากคนอื่นแล้วก็ให้หลักเพราะอันทร์รั์สถาบันประมากษัตริย์จริงๆก็สแสดงความจงรักภักดีภัดีที่สูงสุดี่คือการเป็นพลเมืองดีหมายความว่าถ้าอาาประชารัฐดรไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจไม่มีปัญหาทางสังคม มันก็ถามให้โรงสบายประไทยแล้วแล้วก็เราก็ชื่อว่าแสดงความจงรัธรรมดีจริงๆรักชาติกอบประนีดแน่วไว้เป็นการบอกกล่าวแต่ให้เรามีความมุ่งมั่นคือมีสัจจปฏิญาณหรือมีสัตยาธิฏฐานมันจะหนักไปทางสัตยาธิฏฐานเป็นกระตุ้นแต่ให้มันเกิดสัตยาทิฏฐานขึ้นไปใน ใ, นใจเรา การปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อชาติบ้านเมืองเราจะเห็นว่ามันต้องสำนึกกะตัญญูก็ยังหาโอกาสว่าจะเรียบเรียงหนังสือสักเล่มหนึ่งเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยโดยมีพื้นฐานมาจากกะตัญญูมันเป็นหนี้ทางใจอยู่ประการหนึ่งคือท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่เคยรู้จักกันนะนะก่อนท่านจะตายเนี่ยท่าน ส่งเงินมาจำนวนหมื่นบาทบอกขอให้ท่านจะคุณช่วยเขียนเรื่องประชาธิปไตยโดยมีฐานที่กตันยูชื่อนายแพทย์เกิดธนาชาติไม่เคยพบไม่เคยรู้จักกันแต่ท่านก็คงฟังของฟังทางวิทยุเนี่ยคงได้อ่านหนังสือหรือฟังทางวิท ย, ะยะุแล้วก็ก็ไม่ได้ตอบแล้วเพราะท่านท่านไม่ให้บ้านเลขที่อะไรมา ท่านส่งมาแต่สตางค์เราก็ไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าท่านตายตายไปแล้วนะตายไปรู้สึกจะหลายปีแล้วก็ยังตั้งใจก็รวบรวมข้อมูลไว้เยอะแต่ว่ายัางหาจังหวะ ด, ดีๆยังไม่ค่อยได้เพราะว่าเรายิ่งเห็นสเตนมากยิ่งขึ้นว่าการเป็นประชาชนภายในชาติเนี่ย จะปกครองด้วยระบบอะไรก็ตามถ้าเราขาดพื้นฐานกันตันยูต่อแผ่นดินเกิดกัตันยูต่อแผ่นดินแม่นะง่ายว่ากัตันยูต่อแผ่นดินแม่มันก็ยากทั้งนั้นเนี่ยพระผลสุดท้ายมันจะมาเข้ามากรอบโกยกับตัวเอาผลประโยชน์จากแผ่นดินแม่ทั้งทางที่ตัวเองเกิดมาอาศัยแม่นะแต่ ก, ก็ไม่ยอมให้แม่ได้อาศัยตัดไม้ทําลายป่ากันจน จนนึกไม่ออกนะฮะว่าไอ้คนเหล่านี้มันมันศึกษาแล้วเรียนมาจากไงเป็นปริญญาสูงสูงมีตำแหน่งราชาการใหญ่ๆเขาให้ไปดูแลป่ามันกลายเป็นคนทำลายป่าซะเองไงเนี่ยอันนี้คือก็พูดยากกะนะรักษากอบุญตรีสุจริตท่น่นเทินเห็นไหมรักษาศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่ได้คิดอะ ไม่ได้คิดว่าคนจะต้องเขาวัดมากมากจะต้องเขาวัดเยอะไม่จําเป็นอะไรอ่ะขอให้อยู่ในศีลในธรรมแต่ น, นั้นแล้วไม่ต้องไปทําบุญตักบาตรมากๆไม่ต้องให้ทานมากๆทําความดีมากๆได้ ก, กันความอยู่ดีมีสุขของพุทธศาสนิกชนนั้นคือเป้าประสงค์ของพระพุทธเจ้ารราตนาพูดเป็นศาสนาอนุเคราะห์โลก พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าศาสดาผู้เอ็นดูเอนดูสัตว์โลกความสุขของสัตว์โลกนั้นก็คือการบูชาอย่างสูงต่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าการดเดรินทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทําที่ไหนก็ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ต้องแห่กันมาที่วัดมากมายเวลานี้รถน้ํามันรถก็แพงอยู่จราจรก็คับขั่ง ไม่ น, นีความจำเป็นอะไรทั้งหลายแต่เวลานี้เนี่ยมันสื่อต่างๆเนี่ยมันออกเกยอะนะฮะสื่อทางวิทยุสื่อทางโทรทัศน์สื่อทางสิ่งพิมพ์สื่อทางอะไรต่างๆแต่เราจะศึกษาประพุทธปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยทำที่ไหนก็ได้เพราะธรรมะจริงๆมันอยู่ที่ใจเรารักษากจงจิตให้โลกซ้องสรนเริญเป็นลักษณะกระตุ้นให้เราเกิดสัจจะปฏิสตยาธิฐานนะ ตรงนี้มันจะลักษณะกระตุ้นในเราเกิดสัตยญาติฐานแล้วต่อไปก็ทางก็กระตุ้นเตือนให้สํานึกนะยามยืนเดินนั่งน้อมกระมอนรำลึกถึงเทศตนอยู่ยังเป็นรัฐมนตลไทยอยู่สลาแน่ขวรถนอมแน่นตั้งอยู่เพียงอวสานแล้วต่อไปก็ใครลานใครลุกดาวแด่นไทยตรงนั้นค่อนข้างจะเป็นสัจจะปฏิญญาใครลานใครลุกดาวแด่นไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามหากสายามยังอยู่ยังยินยงอะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะกระตุ้นแต่ว่าค่อนไปทางปฏิญญาแต่ก็มีบทหนึ่งทุกวันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่รักชาติยอมสละแม้ชีวีรักเกียรติจงเจ็ดพีชีพได้รักราชร่วมภักดีรองบาทรักษาตรานเสือไส้เพื่อเกื้อประศาสนาเนี่ย ตัวนี้มีลักษณะเป็นปฏิญาณหมายความมา้องไม่ไม่ถึงสองนาทีนะฮะแต่ว่าต้องรักษาด้วยชีวิตปัญญาจริงๆเพราะแนวคนสัตจจะเราจะเห็นว่ามันเป็นการมองเห็นคุณค่าของการกระทำเช่นนั้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นเด็ดเดีโอจริงโอ จ, จังที่จะทำให้ได้เราลองสังเกตว่า มนโปนปนณิธานของพระเจ้าตากศินมาราที่ทรงตั้งไว้แล้วก็ประทาสำเร็จนั่นก็คือที่จารึกที่อนุสาวรีย์ที่วัดรุดัที่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่ศาสนาสภพนะพระพุทธโกดม มันเป็นลักษณะของสัจจะปฏิยานของพระองค์เป็ น, เ ป, นเป็นค่อนข้างสัตยาธิษฐานนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องปลุกระดมคนของของพระองค์นี่ให้คิดร่วมกันแต่าการกู้ชาติคราวเนี้มันมันจับหลักอะไรไปได้กษัตริย์ก็ไม่มีแล้วประเทศชาติก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงหมดแล้วเป็นโกกเป็นเหล่าหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ร่วมใจกันกู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้า ก็เป็นโมโนปณิธานเป็นลักษณะของสัตยาสจาวจานะะเวลาจริงๆก็ต้องเป็นสัจาวจาของคนเหล่านั้นให้ปฏิญญาร่วมกันแล้วก็ต่อไปก็แสดงทั้งเจดจำนงความมุ่งหมายต่างๆเกิดใจเกิดผลที่พึงประสงค์เสียดายว่าโครงบทเนี่ยไม่ค่อยจะแพร่หลาย และมาเองก็พึ่งพึ่งได้เจอนะถึงเจอแล้วก็ไปอ่านที่ที่วัดอรุณารา า, ารามไปอ่านเองเลยได้ยินน่ะก็ไปอ่านเอ่อแสดงว่ามีการคัดลอกขึ้นมาใส่ไว้ตีกรอบนะฮะใส่กรอบเอาไว้แล้วมีคนคัดลอกไปตอนนึงคนทำงานยังมีสัจจเนี่มีสัจจาเป็นพื้นฐานอย่างนี้จะเป็นสัจจอะไรก็ตาม สัจใดที่ผลซึ่งจำนงหวังยังไม่เกิดขึ้นคือยังไม่สมเร็จผลตามที่ตั้งสัจจวาจ า, จาริศสัจจะปฏิญญาสัจจะปฏิญาสัจาญ า, าทิศฐานอะไรก็ตามนะจะต้องไม่เลิกละความพยายามเพราะบางครั้งมันมันจะปนกัน อย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานแบบจจตุรงกร์มาหปทานก่อนจะสัสรูภายใต้ต้นประสีมาโผล่นันระเจกว่ามันบารมีเต็มหมดเลยคือมาครบหมดทั้งสิบข้อเลยเกิด ค, ความเข้มแข็งทุนทานสามารถชนะพยาบาลซึ่งมาพจนพระองค์ได้แต่ชาบารมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งมันก็ทำไม่ได้เพราะบารมีตัวนั้นก็เต็มแล้วก็มาได้หมดมาใช้ได้หมด แล้วก็จบลงด้วยการสัตวรู้อย่างที่เราทราบกันวราเรื่องสัจจะไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามมันเป็นบารมีที่ควรแก่การเพิ่มพูนและเมื่อมีได้ก็จะกระจัดความไม่ดีต่างๆออกไปทั้งังังทั้งใจแต่ลงประปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม ยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูตัวกันสวัสดี